สวัสดีค่ะท่านผู้ๆกับรายครคร FM ครอบครัวข่าวแห่งนี้วันนี้ถ้าหากเพื่อ ตัดข้องในยามที่จะต้องบันทึกเสียงก็พอได้ใช้โทรศัพท์นะคะอาจจะสัญญาณไม่ดีก็ฟังสาระค่ะอาจจะ ใช่ดิฉันเนี่ยจะกราบเรียนท่านถึงอ่า ปฏิจจสมุปบาทละท้อเลยว่าชื่อยากจังอืมจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเข้าใจถูกหรือไม่ว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสําคัญมากอืมแล้วจริงๆแล้วถ้าว่าอย่างไรอ๋อค่ะเอาเอาเอางี้ก่อนสมมุติว่าอาจสมมุติเราคิดว่าอันนี้ อ่าไหนที่ว่าคุณว่าง่ายเอ่อๆศีลเออเอ้าเหรอคะอ่าใช่สิ <คะ. S 1> 거든요 เป็นหลักการซึ่งมันแฝงอยู่ในธรรมะใช่ๆอันนี้ก็ทุกๆหมวดธรรมะเป <Okay. S 1> นะนี่หมดธรรมๆเนี่ยมันมีความลึกซึ้งอยู่ค่ะภายในเวลา 10 กว่านาทีได้มั้ยคะได้ๆๆพระ กันและกันเกิดขึ้นนะของที่อาศัยกันเกิดขึ้นน่ะว่าอย่างงั้นนะ 1 สมการ 2 ก็คือเมื่อสิ่ง มันมีสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นจึงจึงเกิดสิ่งนี้ดับสิ่งง่ายๆนะเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทละแค่นี้เองแล้วเพราะเป็น ปฏิจจสมุปบาทซึ่งซึ่งอยู่อยู่ในทุกที่อ่ะว่างั้นเถอะนะเราค่ะถ้าดิฉันปวดท้องเป็นปฏิจจสมุปบาทมั้ยคะ มันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งมันจึงเกิดความปวดขึ้นอันที่ปุริชาบอกไว้ท้องก็เป็น <Okay. S 1> ที่ท่านพระอัสสชินะไปบอกให้ท่านพระสาลิบุตรตอนนั้นยังไม่ได้บวชใช่ไม่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยทั่อ๋อถ้าดับเหตุน่ะสิ่งนั้น คำพูดๆแค่ประโยคเดียวเนี่ยเอ่อบรรลุเป็นซึ่งๆอือค่ะท่านฝั่งคะวันนี้อาจจะๆน่ะ มันเป็นภาระศึกษาบ่ไม่ได้ยากใช่ๆนะคะว่าทุกอย่าง ที่ครอบคลุมทุกเรื่องของที่พระพุทธเจ้าสอนนะไม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะเรื่องกรรมเรื่องกิเลสเอ่อเรื่องคือ ส่วนใหญ่คนเนี่ยพอมันเจอโจทย์อะไรที่เราไม่รู้เอ๊ะทําไมมันต้องเป็นแบบนี้อือเราก็เพราะบางคนบอกว่าเนี่ยหาเหตุไม่เจอถึงต้อง ใช่มั้ยก็เลยไปโทษสิ่งที่ว่าบางทีคนผู้อื่นบันดาลๆพวกนี้นะเค้าหมายถึงอย่างนั้นหรือเปล่า นะทีมันอาจจะเป็นเชื้อโรคบางทีเราอาจจะไม่ทราบถึงเหตุนั้นเอ๊ะว่าทําไมไปปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญอืมเอ่อดิฉัน เป็นพุทธศาสนสุภาษิตไม่แน่ใจว่าเป็นที่พระพุทธเจ้าตรัสด้วยหรือเปล่านะคะที่อ่าได้เป็นถ้อยคําทํานองว่าการที่จะจะรู้เรื่อง นะคือถ้าเราเรากําลังจะหาว่าความจริงอยู่ที่ไหนให้กว้างสักนิดนึงว่าไอ้ที่ที่เรารู้มามัน อาจจะเพิ่งมาได้ยินเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วได้ๆเนี่ยต่อท่านมีอะไรจะเพิ่ม มันไปใช้ได้กับทุกเรื่องถ้าเราพยายามที่จะคิดวิเคราะห์ในเรื่องความเป็นเหตุเป็น เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลอย่างปีล่ะเป็นหมื่นปีค่ะเอ่อดิฉันเห็นอันนี้ดิฉันถามต่อเรื่องอื่น ประสงค์บางรูปออกมาเสนอแนวทางเป็นหลักธรรม 3 คำคำแรกคือ 2 ขอให้ 3 ขอให้มีสันติอันนี้เป็นปฏิจจัตด้วย ที่กั้นกิเลสทั้งหลายนะครับไม่ให้อวิชชาครอบ ทางกายทางใจวาจา 2 เสาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งนะคะที่ 3 ก็ขอให้มีสันติทุกวินาทีแห่ง เลือดกับผลประโยชน์คือน้ําเตือนผู้นําทั้ง 2 ฝ่ายว่าคุ้มมั้ยเล อันนี้เป็นผลของอะไรนี้เป็นผลของอะไรนะก็เป็นผลของการที่เราต้องมีการปฏิบัติ เป็นหรือว่าส่วนใหญ่ต้องการการที่ทําให้ผลออกมาเป็นผลที่ทุก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะโครงการปริญญาโทสาขาสันติ ได้ให้ความกระจ่างเรื่องปฏิจจสมุปบาทกับค่ะเจริญค่ะท่านฟัง FM 106 ค่ะธรรมะของพระศาสดานั้น บางครั้งเรายังไม่สะดวกที่จะถึงขนาดนั่งสมาธิเนี่ยก็เอาไป